พระเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสารวรสมเด็จพระสังฆ ร, ร, ราชสกลมหาสังฆปรินายุทเทวสภาสุธรรมมาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดถึงประวัติของเท้าสกัดเทวราชหรือพระอินตามที่เล่ามาแล้วโดยมาก เก็ความมาจากคมภีอัตกถาและดีกาในคำพีดีกาซึ่งแต่งภายหลังอัตกถายิ่งพานานาไว้พิสดานกว่าคำพีอัตกรถาเช่นพานานาถึงรายละเอียดของเครื่องประดับต่างๆจะเก็บความในดีกาเล่าต่อไปถึงเทวสภาสุท ธ, ธรรมมาเทวสภานี้พื้นเป็นแก้วผลึกที่เสาคือและคอรับคือหรือสังฆตะเป็นต้นสลักเป็นรูปสัตว์ร้ายเป็นต้น ด้วยแก้วมณีสาวสาเร็จด้วยทองบาศเสาหรือธรรมภคคะต ะ, ะและคอรับคือสําเร็จด้วยเงินรูปสักปลายสําเร็จด้วยแก้วประพาสนางตรัณหรือโคปานาสีไม้คําโครงหลังคาคันถวยหรือปะคปัสะขอบมุกสําเร็จด้วยรัตนเจ็ดหลังคามุงด้วยกระเบื้องอินทนินโบกด้วยทอง โดมจอดสําเร็จด้วยรัตนะตรงกลางเทวสภามีธรรมมากมีรัตนบัลลังก์กลางกั้งสวตฉัตรเป็นที่พระผมชั้นสูงลงมาแสดงธรรมหรือพระอินทร์หรือเทพผู้รู้ธรรมแสดงธรรมถัดมาเป็นที่ประทับของพระอินทร์และเป็นที่นั่งของเทวบุตรผู้เป็นสหายธรรมภูศนร่วมกันมาสาสบสามองค์แล้วเป็นที่นั่งของเทพผู้มีศักดิ์าใหญ่น้อยถัดกันไปโดยลําดับแต่บางคัมภีรเล่า ว, ว่า ตรงกลางเทวสภาเป็นที่ประทับของพระอินทน่าจะถือเอาความว่าในวันที่มีแสดงธรรมก็ต้องธรรมมาตไว้ตรงกลางส่วนเวลาปกติตั้งที่ประทับของพระอินท์มีทิพยละดาหรือไม้เครือเถาชื่ออาสาวดีส่วนต้นปริชา ต, ตกะหรือปริชาติเมื่อออกดอกทรงกลิ่นหอมขจรก็จะมีลมทิพ ช, ชยพัดมาเด็ดดอกปริชาติ แล้วมีลมรับดอกไม้ให้เปลียวเข้าไปในเทวสภามีลมกวาดดอกก่าวออกมีลมเกลี่ยดอกใหม่มีลมบรรจงจับช่อกรีบและเกสรให้งดงามชวนชมพวกเทพพากันคอยฤดูผัดใบของต้นปาริชาตเพื่อจะได้ประชุมรื่นเริงในคราวต้นปาริชาตออกดอกบานสะพังเต็มที่คัมภีร์ต่างๆชั้นอัตถกถาดีกาที่พรรณนาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดิ้ง เป็นคัมภี์ที่เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลมานานเช่นอัตตะขาธรรมบทก็เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลประมาณหนึ่งพันปีคำพีทีกาต่างๆเขียนขึ้นภายหลังจากนั้นและส่วนใหญ่เขียนในลังกาเมื่ออ่านดูหลายคัมภีร์สอบกันก็พบข้ อ, อที่กล่าวไม่ตรงกันหลายแห่งและความบางเรื่องดูจะขัดกันในตัวก็มีเช่นบ้านเกิดของมคัมานกว่ามัจฉามก็มี อัตลัขามก็มีต้นไม้ประจําสวรรค์ชั้นดาวดิ่งคือต้นปาลิชาตบางคัมภีร์แสดงว่าเกิดขึ้นเมื่อมะข้ามนกไปเกิดเป็นพระอินทร์เพราะเหตุที่เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปลูกต้นโกวิละละหรือคทองหลางเพื่อเป็นร่มเง า, าแก่ประชาชนจริงไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่มีอยู่ก่อนเมื่อครั้งบุประเทศคืออสุระครอบครองอยู่แต่บางคัมภีรเล่า ว, ว่าพบดาวดิ่งบนยอดเขาซิเนรุและพบอสุระใต้เขาสิเนรุ มีที่ปะยะสมบัติต่างๆคล้ายคลึงกันตลอดถึงต้นไม้ประจํำพบทั้งสองนี้ก็คล้ายคลึงกันจนถึงพวกอสุรภเมื่อถอยลงไปตั้งเมืองอยู่ใต้เขาสิเนรุแล้วก็ยังเคลือนเคลือไปว่ายังอยู่ที่เมืองเก่าของตนบนยอดเขาสิเนรุร้อนเมื่อถึงฤดูต้นจิตปาลีออกดอกได้เห็นต้นจิตปาลีแล้วจึงรู้สึกขึ้นว่าไม่ใช่ต้นปาลิชาติเกิดความเสียดายเมืองเก่าของตนจึงทุกกันขึ้นไปเพื่อจะจึงเอาเมืองเก่า ซึ่งไดชื่อว่าดาวเด่นนั้นคืนตามเรื่องที่พันานามา น, นี้แสดงว่าต้นปาริชาตก็มีประจําอยู่ที่นั่นก่อนแล้วไม่ใช่มาเกิดขึ้นภายหลังและสงครามระหว่างเทพกับอสุราก็จะต้องมีทุกคราวที่ต้นจิตตปาลีออกดอกแม้ในบาดนี้ก็น่าจะยังทําสงครามกันอยู่ทุกระดูที่ต้นจิตตปาลีออกดอกดังกล่าวในการทําสงครามกันท่านยังพรนานาไว้ว่าไม่มีฝ่ายไหนบาดเจ็บล้มตายทั้งชิงอเมืองของกันและกัน ก็ไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้วน่าคิดอีกว่าพวกอสุรเป็นพวกบุประเทศคือพวกเทพที่อยู่ในถิ่สวรรค์ชั้นดาวดิ่งมาก่อนฉะนั้นจริงไม่จัดเข้าพวกเทวดาด้วยและฉะนั้นจึงไม่จัดอสุรครบเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งและเมื่อไม่จัดเป็นพวกเทวดาจะจัดเป็นพวกอะไรเป็นสุขติหรือทุกขติและเมื่อทั้งสองฝ่ายต้องทําสงครามกันอยู่ทุกระดูออกดอกของต้นติตปาตลีก็ดูจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหรนะ่นัก ไม่เคยสมกับเป็นสวรรค์ซึ่งเป็นผลของทานศีลเพราะพวกเทวดาชาวเมืองดาวดึงต้องเป็นทหารออกสงครามกันเกือเป็นงานประจําปีและที่กล่าวว่าฤดูรื่นเรืองของพวกเทวดาคือฤดูที่ต้นปริชาติออกดอกก็น่าจะรื่นเริงกันไม่ได้เต็มที่เพราะจะต้องออกสงครามรบกับอสุรจันนั้นฤดูที่ต้นไม้ประจำภพทั้งสองออกดอกก็กลายเป็นฤดูสงครามแทนที่จะเป็นฤดูรื่นเรืองของเมืองทั้งสอง ในอัตกถากูราวะกกระชาดกยังได้นำเอาเรื่องมัคคัมมานพไปเกิดเป็นพระอินมากล่าวว่าเป็นชาติอดีตของพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งเรื่องพระอินทตามที่เล่านี้จึงกลายเป็นไม่ใช่พระอินองค์ปัจจุบันแต่กลายเป็นพระอินในอดีตการ์นานไกลแต่ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระอินองค์หนึ่งสิ้นบุญจุตีไปก็มีพระอินทอีกองค์หนึ่งเกิดสืบแทนกันไปบางคัมภีร์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ได้วยว่า ผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินททุกคนจะต้องเป็นคนชาวบ้านอาจละขามไม่แคว้นมคตและทําบุญเช่นเดียวกับมคคะมานกคราวนี้กรามย้อนพิจารณาดูถึงความประพฤติของมัคคมานกท่านพนานาถึงมคคะมานกว่าแผ้วถางที่ดินสร้างสนุนหนทางเป็นต้นเมื่อมีใครมาแย่งที่ก็ไม่หวงย้ายไปแผ้วถางที่อื่นต่อไปทั้งหมดเข้าลักษณะผู้ที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนสมเหตุสมผล แต่ไม่ได้เกิดเป็นพระอินทดูมีความประพฤติเปลี่ยนไปทํานองหัวหน้าหมู่หรือราชาในสมัยโบราณซึ่งเจริญและฉลาดกว่าอบพยกหรือยกกองทัพไปยึดถิ่นของหมู่ชนที่ยังไม่เจริญไม่ฉลาดจะเพิ่งเห็นได้ตามเรื่องที่ท่านเล่าเองพวกอสุรซึ่งเป็นเจ้าถิ่นชั้นดาวดึงแต่เดิมดูก็ตั้งใจต้อนรับคณะของพระอินท์ซึ่งมาใหม่อย่างซื่อๆทั้งมีน้ําใจเอื้อเฟื้อจนถึงแบ่งบุงให้ครอบครองถึงกึ่งหนึ่งและ จะให้มีการเลี้ยงต้อนรับแต่พระอินทร์ต้องการจะครอบครองแต่ฝ่ายเดียวทั้งหมดจึงออกอุบายให้ผู้อสุรดื่มสุราจนเมาหมดความรู้สึกแล้วช่วยกันจับทุ่มลงไปในอัจฉราสั่งยุตะยังเล่าว่าเมื่อผู้อสุรฟื้นคืนสติขึ้นแล้วรู้ตัวว่าเสียเมืองไปเพราะสุราจึงตั้งกันการกว่าจะไม่ดื่มสุรากันอีกต่อไปแต่ก็เสียเมืองไปเสแล้วและเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่า อสุระไม่ดื่มสุราถอดออกความก็คือพระอินทออกอุบายขับอสุระออกไปได้หมดเรื่องของพระอินท์ดังกล่าวนี้ดูตรงข้ามกับเรื่องของมคธมานกฉะนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องของพระอินท์คงเป็นเรื่องของกษัตริย์หรือราชาเก่าแก่เด็กดําบรรดั้งแต่ก่อนพุทธกาลซึ่งมีชื่อเสียงทรงจํากันมาเป็นพิเศษจนถึงภายหลังยกขึ้นเป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ชั้นหนึ่ง ครั้งตกมาถึงยุคพุทธกาลเรื่องพระอินทร์หรือเท้าสักกาเทวราชก็ได้ติดเข้ามาในคมภี์พระพุทธศาสนาไม่ฐานะเป็นจอมเทพชั้นดาวหนึ่งในคำพี์ชั้นบาลีมีกล่าวถึงหลายแห่งแต่มาเล่าให้พิสดารมากในชั้นอัจาถริยะีกาด้วยเก็บเอาเรื่องพระอินทร์ของเก่ามาเล่าผสมกับเรื่องของมค ะ, ะมานพให้เป็นคนเดียวกันคือมค ะ, ะมานพไปเกิดเป็นพระอินทร์แต่ประวัติของมค ะ, ะมานพ ดำเนินเรื่องไปตามหลักทานศีลซึ่งเป็นเหตุแห่งสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยตรงส่วนประวัติของพระอินทดันเนินไปตามหลักของวีรบุรุษหรือมหาราชทางคณีโลกไม่คํานึงถึงทานศีลเป็นใหญ่แต่ง่วงชัยนะเป็นที่ตั้งฉะนั้นเมื่อเทียบดูกันแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องมาคนละทางคนละคติเมื่อจับมาผสมกันก็ยังคงยันกันอยู่คนละแนวนั่นเองหรือจะแก้ว่า เมื่อมาเกิดเป็นเทพผู้หัวหน้าแต่สวยที่พยสสมบัติก็ เ, เลยเกิดความคิดความเพลินเปลี่ยนปฏิปทาไปคนนี้อาจเป็นไปได้เทียบในเมืองมนุษย์นี่เองคนที่เคยประพฤติดีเมื่อเป็นคนสามัญรันได้ยศได้ลาบมากขึ้นเปลี่ยนความประพฤติไปก็มีสวรรค์จึงอาจกลายเป็นโทษแก่คนที่หลงติดมัวเมาอยู่ได้เพราะเป็นผลที่น่าติดน่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งเมื่อเมาสวรรค์จนลืมตัวเสร็แล้วก็าย่อมจะลืมความดีได้ ฉนั้นเทวดาจึงมีเวลาสิ้นบุญต้องจุติบางทีจุติก่อนกำหนดก็มีท่านว่าเหตุอย่างหนึ่งได้แก่เพราะมัวเล่นเพลินจนลืมมริพภ ค, คือเพราะเมาวสวรรค์เกินไปนั่นเองวัตถบทเจ็ดประการเรื่องพระอินทิ่ก่าวถึงในคำภีชั้นบาลีก็มีเขาเรื่องเช่นเดียวกับในอัตกถาดีกาท่านรวบรวมไว้ส ก, ก่าสัญยุดดังจะเลือกเก็บความมาเล่าต่อไป ครั้หนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในศาลาประชุมที่สร้างเป็นเรือนยอดในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีเจ้าลิชวีชื่อมหาลิเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเคยเห็นเท้าสา ก, กาดจอมเทพแล้วหรือพระองค์ตรัสตอบว่าได้ทรงเห็นเจ้ามหาลิก็ยังสงสัยกราบทูลว่าเท้าสา ก, กาดจอมเทพที่ทรงเห็นนั้นน่าจะเป็นเท้าสา ก, กาดปลอมเพราะเท้าสา ก, กาดจอมเทพเห็นในญาติ พระองค์ตรัสตอบว่าทรงรู้จักเท้าสักกะทั้งทรงทราบธรรมที่เท้าสักกะประพฤติแล้วจึงเกิดเป็นเท้าสักกะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าต่อไปว่าเท้าสักกะจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้เป็นมารลบชื่อว่ามคะฉะนั้นจึงเรียกว่าท้ามขะว่าหรือมขะวานเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ทานในเมือนฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าปรินนัทะ เมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ทานโดยสการะคารกุกฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าสักกะเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนได้ให้ที่พักฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าวาสะหรือวาสะพะทรงคิดรู้ความทั้งพันชั่วเวลาครู่เดียวฉะนั้นจึงเรียกว่าท้าสหศสกกะหรือสหสเนธแปลเหมือนกันว่าเท้าพันตาเท้าสักกะมีอสุรกาย ญ, ญาชื่อสุชาเป็นประชาบดี หรือชายาฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าสุชามบดีเท้าสักการครอบครองและสมบัติเป็นอิสริยาธิบดีแห่งทวยเทพชั้นดาวดึงฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าเทวานบินทาหรือจอมเทพเรื่อสัส้นว่าพระอินทเท้าสักกาจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในการก่อนแล้สมาทานประพฤติปฏิบัติวัตถบท7ประการจึงเกิดเป็นเท้าสักการคือหนึ่งเลี้ยงบรนดาบิดาตลอดชีวิต สประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เป็นเชษฐะหรือผู้เจริญคือผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. ม, มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต 4. มีวาจาไม่ส่อเสียบตลอดชีวิต 5. มีใจปราศจากความตระหนียินดีในการแจกจ่ายทานครอบครองเรือนตลอดชีวิต 6. มีวาจาสัตย์จริงตลอดชีวิต 7. ไม่โกรธ แม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นมาก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิตทศกสัตริย์ท่านเครื่องขจัดความกลัวเรื่องเทวาสุรสงครามได้มีเล่าไว้ในคำผีชั้นบาลีหลายแห่งเรื่องมีชื่อเสียงที่ใช้สวนเป็นพระปริศคือทศกสัตรหรือสูตรที่แสดงถึงยอดถงมีความว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเคตวนารามของอนาถบิณฑิกะ ไกรตรุงมสาวัถีได้ตรัสเรื่องเทวสุรสงครามแก่ภิกษุทั้งหลายมีความว่าเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพและอสูรได้เกิดประชิดติดพันกันขึ้นเท้าสักกดจอมเทพเรีประชุมเทพชั้นดาวดินตรัสั่งว่าถ้าเทพผู้เข้าสงครามพึงเกิดความโกรธความหวาดเสียวหรือความสะดุ้งขนพองสยอย่งกล้าก็ให้มองดูยอดธงของพระองค์ไม่เช่นนั้น ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อประชาบดีไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่ออีสางความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองกล้าก็จะหายไปเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องเทวาสุรสงครามในอดีตดังนี้แล้วก็ได้ตรัสน้อมเข้ามาทางพระพุทธศาสนาว่าเมื่อพวกเทพที่เข้าสงคราม มองดูยอดทธมของเท้าสักกาจอมเทพหรือของเทวราชอีกสามองค์นั้นความกลัวความหวาดเสียวหรือความผลพองสยองเกล้าจะหายไปก็ได้ไม่หายไปก็ได้เพราะเหตุที่เท้าสักกาจอมเทพเองยังไม่ใช่ผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะยังมีความกลัวความหวาดเสียวความสะดุง้งยังต้องพ่ายิ่งส่วนพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าถ้าท่านทั้งหลายไปอยู่ป่า ไปอยู่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างจากพึงเกิดความกลัวความหวาดเสีวหรือความขนพองสยองกล้าวขึ้นก็พึงระลึกถึงพระองค์หรือระลึกถึงธรรมหรือระลึกถึงสงฆ์เมื่อระลึกถึงอยู่ดังนี้ความกลัวความหวาดเสีวหรือความขนพองสยองกล้าวจากหายไปเพราะเหตุที่พระตถาคตเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดเสีวไม่สะ ด, ดุง้งไม่พ่ายหนี พระสูตรนี้มีข้อน่าสังเกตว่ามีคำขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมีมาแล้วใช้ขึ้นต้นเมื่อจะเล่าเรื่องแต่อดีตที่ล่วงมาแล้วนานแสดงว่าเป็นเรื่องที่เล่ากันมานานและการนําเรื่องเก่ามาเล่าในคมภี์ชั้นบาหลีทุกแห่งจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นก็ตามก็เพื่อสาธากธรรมดังที่เรียกว่านิพพานสุภาษิตในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนําเรื่องเทวาสุรสงครามตอนนี้มาเล่า ก็พื้อสอนให้ราลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นในเมื่อเกิดความกลัวขึ้นเช่นเดียวกับพวกเทพเมื่อเขาทาสงครามกับอสูรเกิดความกลัวขึ้นก็ดูยอดธงของพระอินทร์หรือของเทวราชรองลงมาทั้งหลายพระยอดธงน่าจะสร้างขึ้นตามใ่พระสูตรนี้ขันติธรรมในสงครามคราวหนึ่งเวปจิตติอสุริน สั่งพวกอสูรให้พยายามจับพระอินทร์พันธนาการมาอสุรบุรีฝ่ายพระอินทร์ก็สั่งให้พวกเทพจับเวปจิตติอสุรินพันธนาการมาสุธรรมสภาเช่นเดียวกันในสงครามครั้งนั้นพวกเทพชนะอสูรจึงจับเวปจิตติอสุรินพันธนาการมาสุธรรมสภาเวปจิตติอสุรินเมื่อถูกพันธนาการห้าตำแหน่งคือมือสอง เท้าสองและคอเป็นที่ห้าถูกนําเข้ามายัางสุดธรรมสภาก็บริภาษด่าพระอินท์ด้วยตัวคาหยาบช้าต่างๆทั้งในขณะที่เข้าไปและออกมาพระมาตรีเทพสารถีทูลถามพระอินทว่าทรงอดกลั้นได้เพราะกลัวหรือว่าเพราะอ่อนแอพระอินตรัสตอบว่าทรงทนได้ไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่วินยูเช่นพระองค์จะตอบโต้กับผู้ผ่านได้อย่างไร พระมาตรีทูลว่าผู้พานจะได้กำเริบถ้าไม่กําราบเสียเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงกําราบผู้พานเสียด้วยอาจยาอย่างแรงพระอินตรัสว่าทรงเห็นว่ารู้ว่าเขาโกรธแล้วมีสติสงบได้นี่แหละเป็นวิธีกําราบพานพระมาตรีได้ทูลแย้งว่าความอดกลั้นดังนั้นมีโทษคือพานเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราก็ยิ่งขม่มเหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่ พระอินทร์ก็คงยังตรัสยืนยันว่าพานจะสําคัญอย่างไรก็ตามประโยชน์ของตนสําคัญยิ่งและไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าขันติผู้ที่มีกําลังอดกลั้นต่อผู้ที่ อ, อนแอรเรียกว่ามีขันติอย่างยิ่งเพราะผู้ที่อ่อนแอต้องอดทนอยู่เองเสมอไปผู้ที่มีกําลังซึ่งใช้กําลังพานเช่นพานตอบมาเรียกว่ามีกําลังส่วนผู้ที่มีกําลังซึ่งมีธรรมะคุ้มครองย่อไม่มีกล่าวตอบผู้โกรธ ต่อผู้โกรธอยาบมากไปกว่าผู้โกรธทีแรกส่วนผู้ที่ไม่โกรธต่อผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ที่รู้ว่าเขาโกรธแต่มีสติสงบได้ชื่อว่าประพฤติประโยชน์ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ที่ไม่ฉลาดไม่รู้ธรรมก็ย่อมจะเห็นผู้ที่รักษาประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดังกล่าวว่าเป็นคนโง่ไปเสียในคัมภีร์เล่าเรื่องพระอินทร์และ พระมาตรีโต้อตอบกันดังนี้แล้วก็กล่าวถึงพุทธโอวาทต่อไปว่าเท้าสักกาจอมเทพยังกล่าวสารเสริญขันติหรือความอดทนและโสรจัจัหรือความสงี่ยมภิกษุทั้งหลายก็พึงมีขันติโสระจจิจงจั ง, งดงามเรื่องนี้สารเสริญคุณของขันติในคําโต้ตอบการแสงกติธรรมที่น่าพิจารณาคือถ้าดูอย่างผิวเผินก็รู้สึกเพียงว่าพระอินท์ทรงมีขันติเป็นอย่างดี และทรงสรรเสริญคุณของขันติต่างๆแต่ก็ควรพิจารณาต่อไปว่าพระอินทร์ทรงใช้ขันติดังที่ตรัสสรรเสริญนั้นตอนไหนก็จะเห็นได้ว่าทรงใช้ในตอนที่เป็นผู้ชนะแล้วและด้วยประจิตติอสุรินทร์ถูกจับมัดเข้ามาเฝ้าหมดกําลังอํามาจที่จะทำอะไรได้ได้แต่เพียงได้ยอย่างคนแพ้หมดทางสู้ด้วยประการทั้งปวงเท่านั้นพระอินทร์ทรงใช้ขันติในตอนนี้จึงเหมาะด้วยประการทั้งปวง แต่ในตอนที่ทําสงครามกันไม่ได้แสดงว่าพระอินทร์ตรัสสั่งให้ใช้ขันติแต่ทรงสั่งให้รบให้ชนะและให้กับอสุรินพัฒนาการนําเข้ามาทั้งทรงอบรมให้ใช้ความพยายามดังจะเล่าต่อไปเรื่องนี้จึงมีกติแฝงอยู่ถึงระยะเวลาที่ควรจะใช้ทําข้อไหนในเวลาไหนสําหรับในคดีโลกถ้าใช้ทําไม่ถูกเวลาแล้วก็จะเสียประโยชน์ในเทวาสารสงครามครั้งหนึ่ง เวปจิตติอสุรินชักชวนท้าวศักกะให้เอาชนะกันด้วยสุภาพสิทธิหรือธรรมยุทธ์ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตั้งบริษัทชาเป็นผู้พิจารณาตัดสินทํานองอนุโยโ ต, โตตุราการกระมังเวปจิตติอสุรินเสนอให้ท้าวศักกะทรงกล่าวขึ้นก่อนฝ่ายท้าวศักกะทรงเสนอให้เวปจิตติอสุกกรินกล่าวขึ้นก่อนเพราะเป็นปุถพเทศหรือเทพอยู่มาก่อน ไวบัติติอสุรินได้กล่าวว่าพวกผานพึงกำเริอบอย่างยิ่งถ้าไม่มีผู้กำราบเสียเพราะฉะนั้นผู้ทรงปัญญาก็พึงกำราบผานด้วยอาจญา ย, ย่างแรงเท้าส ก, กัดได้ตรัสว่าพระองค์ทรงเห็นว่ารู้ว่าเขากำเริบมีสติสงบได้นี่แหละเป็นวิธีกำราบผานไวบัติติอสุรินกล่าวว่าตนเห็นว่าความอดกลั้นดังนั้นมีโทษคือผานเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราก็ยิ่งขม เหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่เท้าสักกะตรัสว่าพานจะสําคัญอย่างไรก็ตามประโยชน์ของตนสําคัญยิ่งกว่าและไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าขันติเป็นต้นเหมือนอย่างที่ตรัสตอดแก่พระมาตาลีเทพสารทีเมื่อเวปจิตติอสรินกราจบครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งผู้อสุระพากันอนุโมทนาฝ่ายพวกเทพนิ่งเมื่อเท้าสักกะตรัสจบครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพวกเทพพากันอนุโมทนาพวกอสุระนิ่ง ครั้งทั้งสองฝ่ายได้กล่าวจบแล้วพวกบริษัทชัของเทพและอสุระได้ลงความเห็นว่าคําของเวปิติอสุรินเป็นทุพภาสิตธเพราะแนะนําให้ลงทันให้ลงสาตราวุธให้ทะเลวิวาทบาดหมางส่วนคําของเท้าสก่าเป็นสุภาสิตธ์เพราะแนะนํนใาให้ไม่ลงทันไม่ลงสาตาราวุธไม่ทะเลวิวาทบาดหมางจึงตัดสินให้เท้าสก่าชนะโปรดติดตามรับฟัง 45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมณิพยานสังวรสมณิพสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป